บทความพิเศษเป็นบทความเก่าที่เขียนขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเห็นว่ามีสาระสำคัญอยู่พอสมควรจึงขออนุ ญ, ญาตนำมารวมไว้กับรับประวัติในสื่อธรรมะชุดนี้พร้อมกันเลยนะครับ เก้ 90, าสิบพรรษาสมเด็จพระยาณสังวรโดยพระอาจารย์กันตะสีโลแครรอบิลบีบทความจากวารสารพุทธศานสนิกสัมพันธ์แห่งโลกฉบับ พ, พิเศษ <zing ira> เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคาราศสกลมาหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ90พรรษาในวันที่สมตุลาคมพุทธศักราช2546นี้องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้ขอให้อัตมาภาพเขียนบทความเล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับพระองค์ลงในวารสารเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชองค์พระประมุขของพุทธศาสนิกชนชาวไทยสืบไป ในลำดับแรกนี้ขอเล่าประวัติส่วนตัวของอัตมาภาพผู้เขียนสักเล็กน้อยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอัตมามีความเป็นมาอย่างไรและมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้อัตมาภาพมาเกี่ยวข้องกับเจ้าพระคุณสมเด็จที่วัดบวร น, นิเวศวิหารอัตมาภาพมีนามเดิมว่า c คร o l รบิลบีเกิดที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกา และเดินทางมายัางประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2521เมื่อมีอายุเพียง18ปีมีจุดประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งแรกนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จอยู่กรุงเทพเพียง7วันแล้วต้องกลับสหรัฐครั้งที่สองบุญช่วยได้พบกับพลตรีโอภาสรัตนบุรี และพนรยาดอกเตอร์สารพีรัตนบุรีซึ่งขณะนั้นเพิ่งจบปริญญาเอกและกําลังเดินทางกลับประเทศไทยทั้งคู่ได้เมตตาอัรรมภาพฉันญาติแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้บวชตามประสงค์ได้ข่าวจากบ้านว่าโยมยายเป็นมะเร็งควรกลับไปโดยด่วนครั้งนั้นอยู่กรุงเทพเพียงสองอาทิตย์เท่านั้นและต้องกลับสหรัฐ เดินทางมาประเทศไทยครั้งที่สามเมื่อพุทธศักราช2523จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเขมาพิรตารามอําเภอสวนใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่13มิถุนายนโดยมีท่านเจ้าคุณพระราชสารสุทธีจากอุคคเสโนเป็นพระอุปัชฌาย์เหตุที่ไปบวชเนนที่วัดเขมาพิรตารามนั้นก็เพราะด็อกเตอร์สารพี นับเป็นญาติเกี่ยวดองกับท่านเจ้าคุณพระราชสาราสุธีจึงขอฝากอัตมภาพเป็นสิทธิ์ต้นพรรษา 2,523 นั้นดรสารพีได้ทราบว่าวัดบวรนิเวศวิหารมีพระภิกษุชาวต่างประเทศหลายรูปทั้งตะวันออกและตะวันตกแต่ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าพระคุณสมเด็จ ขณะที่ดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระยาณสังวรเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศสอนธรรมะเป็นภาษาอังกฤษประจำวันจันทร์พุธละวันศุกร์เว้นแต่มีภารกิจอื่นก็จะท่งมอบให้สัตธิวิหาริกรูปใดรูปหนึ่งเป็นวิทยากรแทนดอกเตอร์สารพีจึงคิดว่าถ้าอาตมาภาพมาฟังธรรมะที่วัดบวรนิเวศจะเป็นประโยชน์มาก จึงได้นัดอัตมาภาพเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จเพื่อขออนุญาตให้อัตมาภาพฟังธรรมะเป็นภาษาอังกฤษตอนนั้นภาษาไทยของอัตมาภาพไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังเลยจึงไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อความที่รับสั่งในวันนั้นให้ทราบได้เจ้าพระคุณสมเด็จมีพระเมตตาและความเอ็นดูทรงมองอัตมาภาพเช่นเดียวกับผู้ใหญ่มองเด็กคงเป็นเพราะทรงเห็นว่า อาตมาภาพอายุน้อยกระมังจึงรับสั่งว่ามีอายุครบบวชก็มาอยู่ที่นี่ก็ได้สมเด็จพระสังฆราชส่งเล่าเรื่องให้อัตมาภาพฟังมากมายเกี่ยวกับพระองค์ท่านเองในวันต่างๆบ้างเรื่องเก่าของวัดบวรนิเวศบ้างเรื่องแปลกประหลาดบ้างอาตมาภาพขอนำบางเรื่องที่คาดว่า ผู้อ่านคงไม่เคยได้อ่านได้ฟังที่ไหนมาก่อนเลยมาเล่าสู่กันฟังพระชนมายุประมาณสองถึงสขวบญาติผู้ใหญ่พาท่านออกมาที่ระเบียงชั้นสองของเรือนแถวซึ่งเป็นหอแต่งงานของมารดาบิดาท่านประทับยืนอยู่ที่ระเบียงนั้นแล้วเห็นผู้ชายสองคนมีคานหามเดินมาถึงเชิงบันไดแล้วหยุดยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อท่านนั่ง สองคนนั้นก็นั่งเหมือนกันท่านพูดกับญาติผู้นั้นว่าดูสิมีใครมามีคานหามาด้วยญาติคนนั้นหันมาแล้วใช้มือทําท่าปิดปากไม่ให้พูดแล้วสองคนนั้นก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาตอนที่ยังอาศัยในเรือนหอนั้นมีหนังตะลุงในตลาดเมืองกาญจนบุรีท่านอยากไปดูมากเหลือเกิน แต่ไม่มีผู้ใหญ่พาไปก็เลยแอบออกไปแต่ผู้เดียวเดินเข้าตรอกหลังบ้านซึ่งเป็นเส้นทางที่ทะลุตลาดพอมีสุนัขตัวใหญ่ตัวหนึ่งยืนสูงเท่านั้นยืนขวางอยู่จะไล่อย่างไรก็ไม่ยอมหลีกให้ผ่านไปดูหนังตลงุงพอดีป้ามาพบเข้าจึงเอาท่านขีดคอจึงออกไปได้อีกคราวหนึ่ง ท่านกำลังไปวัดเหนือเพื่อขา น, นาคบวชเนรเวลาใกล้ค่าปรากฏว่ามีสุนัขตัวหนึ่งเดินนำทางไปพอเดินไปใกล้กุฏิสงสุนัขตัวนั้นก็หายตัวเข้าไปในต้นไม้ยุคก่อนเปลี่ยนการปกครองขณะที่เจ้าพระกุลสมเด็จยังเป็นสามเณรปรียนอยู่วันพระราชทานพระกะถินที่วัดบวรนิเวศวิหาร สามเณรปรเรียนทุกรูปจะขึ้นรับพระราชทานตรายจีวอนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่บันไดหน้าประตูพระอุโบสถเรื่องภาษาต่างประเทศอาจารย์ที่ถวายความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและสันสกฤตนั้น มีชื่อว่าสวามีสัตยานันทปุรีสมเด็จพระสังฆราชทรงเล่าว่าสวามีสัตยานันทปุรีเป็นชาวพารตะโดยกําเนิดหลังจากประเทศอังกฤษยึดครองประเทศอินเดียนั้นสวามีเข้าร่วมในกลุ่มที่เรียกร้องอิสรภาพให้กับอินเดียกลุ่มเดียวกันกันกบมหาตมะคานทีทางการอังกฤษพยายามกําจัดผู้ที่เป็นเสียนหนามต่ออํานาจการปกครอง ก็เห็นควรที่จะหาทางในประเทศสวามีสัตยานันทบุรีออกไปอยู่ต่างประเทศพระองค์เจ้าทานินิวัตทรงทราบเรื่องนี้ก็เลยเชิญสวามีสัตยานันทบุรีมาอยู่ประเทศไทยท่านสวามีสัตยานันทบุรีเลี้ยงชีพด้วยการเป็นครูสอนภาษาครั้งนั้นพระเนนวัตบวรนิเวศวิหารเรียนภาษาอังกฤษและภาษาสันสกฤตกันมากที่ตึกสามัคคีธรรมทาน ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศงสร้างสำหรับตึกนี้ตอนหลังได้รื้อลงและสร้างตึกสวธรรมนิเวศแทนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นยึดครองประเทศต่างๆในเอเชียคาเนและขอผ่านประเทศไทยมีแผนสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างประเทศต่างๆ ตั้งแต่สิงคโปร์ตลอดจนถึงประเทศพมา่าช่วงนั้นท่านสวามีสัตยานันทบุรีคงร่วมกลุ่มเคลื่อนไหวให้ญี่ปุ่นถอนกองทัพออกจากประเทศไทยด้วยญี่ปุ่นคงเห็นว่าท่านสวามีสัตยานันทบุรีเป็นเสียนหนามเหมือนกันจึงดำเนินการพาท่านสวามีขึ้นเครื่องบินออกไปเหนือทะเลอันดามันและทิ้งตัวท่านสวามีลงทะเลจากนั้นมา จึงไม่มีใครเห็นหน้าท่านสวามีสัตยานันทบุรีอีกเลยสำหรับเรื่องนี้ในบางที่กล่าวว่าญี่ปุ่นยิงเครื่องบินท่านตกหลวงสุริยะพงพิสุทธิ์ที่แพทย์กระจางบุญนาคเป็นอาจารย์ถวายความรู้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันและนายสิริสอนสงครามเป็นครูภาษาจีนสามภาษานี้ พระองค์ทรงเรียนที่ตำหนักคอยท่าปราโมตขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสภลคนาพรเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีความชำนาญในภาษาเหล่านี้พอประมาณอย่างภาษาจีนพระองค์ตรัสเล่าว่าอ่านป้ายภาษาจีนได้สะดวกไม่ลำบากเลยเวลาอาตมาภาพเข้าเฝ้าถวายงานในการรับแขกชาวยุโรปหรือจีน บางครั้งพระองค์ทรงมีรับสั่งเป็นภาษาฝรั่งเศสเยอรมันหรือจีนตามชาตินั้นๆทำให้แขกเหล่านั้นแปลกใจไปตามๆกันและมีความปลาบลืมที่พระองค์ทรงอุตส่าห์ตรัสภาษาของพวกเขาได้กิจกรรมประจำวันที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงโปรดมากอย่างหนึ่งคือทรงอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ร, รายวันให้ผู้เขียนฟัง คือพระองค์จะโปรดให้อัตมาภาพเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วส่งถวายให้พระองค์ทรงอ่านถ้าติดขัดตรงไหนหรือความหมายไม่กระจ่างชัดก็เป็นหน้าที่ของอัตมาภาพกราบทูลความหมายหรือคําที่ถูกต้องบางครั้งมีข่าวแปลกๆเป็นเหตุให้เจ้าพระคุณสมเด็จมีพระวินิจฉัยขำขำเหมือนกันพระอัฉริยภาพทางด้านวรรณกรรมและความเป็นอฉริยะบุคคล มักปรากฏให้เห็นอยู่หนึ่งเนืองที่เรายังไม่ได้คิดด้วยความไหวพริบทรงทราบคาลึกซึ้งต่างๆที่ไม่น่าจะทรงทราบได้ดังที่จะได้อธิบายต่อไปเป็นเหตุที่อาตมาภาพยกย่องเจ้าพระกุลสมเด็จว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลทางด้านการศึกษาและเป็นธรรมะกระถึกที่หายากยิ่งในสมัยนี้ตอนที่อาตมา ยังไม่คุ้นสำนวนภาษาไทยเจ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งว่าฮีคิกมีอิน y ม y ออัตมภาพงงมากนึกว่ามีชายสการขึ้นตำหนักแล้วประทุษร้ายพระอุปัชชาของเราเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่าคำว่าเตตานั้นแปลว่าอะไรเจ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งถามว่าทำไมห้องน้ำในภาษาอังกฤษ จึงเรียกว่า rest room ทูลถามว่าควรเรียกอย่างไรดีสมเด็จตอบว่าอ้าวคนเรียกว่า happiness room อย่างไรล่ะเพราะสุขขาแปลว่า happy อยู่แล้ว ต้นปีพุทธศักราช2524เจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จ เ, เยี่ยมเยือนพระเทระผู้ใหญ่สายกรรมฐานมีหลวงปู่ขาวอนาลโยและหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นต้นช่วงนั้นมีงานพระราชทานเพลิงศพท่านอาจารย์บุญมาฐานะเปโมและท่านอาจารย์วันอุตโตมโที่มรณภาพคราวที่เครื่องบินตกที่ปทุมธานีพุทธศักราช2523 เจ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งให้อัตมาภาพตามเสด็จคราวนั้นไปกราบหลวงปู่เทศที่วัดหินมักเป้งสีเชียงใหม่หลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกลองเพนหนองบัวลำพูพักอยู่วัดละสองหรือสามวันพระองค์ทรงเล่าว่าสมัยก่อนใช้เวลาว่างไปอยู่วัดป่าทางอีสานเพื่อสนทนาและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สายกรรมฐาน งานพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์บุญมาและท่านอาจารย์วันเจ้าพระคุณสมเด็จและพระราชาคณะพักแรมที่ผู่พานราชนิเวศส่วนผู้เขียนและพระอื่นๆไปพักที่วัดป่าอุดมสมพรวัดของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรที่จังหวัดสกลนครวันหนึ่งที่วัดป่าอุดมสมพรเจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จขึ้นชั้นบนศาลา ทรงกราบพระประธานและรูปเหมือนหลวงปู่ฟัน้นสักพักก็เสด็จลงมาประทับบนโซฟาใต้ทุนซาลาตอนนั้นอาตมาอยากกราบทูลถามเรื่องภูมิจิตของท่านอาจารย์ฟั้นให้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงอธิบายเพราะไม่เห็นว่าจะเสียหายตรงไหนแต่เพื่อความสุภาพก็ต้องทูลอ้อมๆเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยว่าได้ยินว่าท่านอาจารย์ฟันเป็นพระอรหรันต์ พอกราบทูลแค่นั้นแหละพระองค์ทรงหันมาและรับสั่งค่อนข้างดุว่าอย่าพูดอย่างนั้นอัตมาภาพก็อึ้งสักครู่หนึ่งและพยายามคิดในใจว่าเออัตมาผิดตรงไหนเป็นคำถามที่ไม่ควรถามตรงไหนแต่ด้วยความเคารพในเจ้าประคุณสมเด็จมากก็เลยไม่กราบทูลถามเรื่องนี้อีกตลอดเจ็ดปี ตอนหลังความคิดเรื่องปัญหาข้อนี้ก็วนเวียนในหัวอยากกราบทูลถามอีกก็เลยกราบทูลถามในเวลาเข้าเฝ้าหลังจากกราบทูลเท้าความเดิมเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอธิบายอย่างมีเชิงมีอัดแต่อาตมาภาพไม่เข้าใจอีกต่อมาอีกเจ็ดวันขึ้นไปกราบทูลอีกเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอธิบายว่า พระโสดาบันทราบว่ากครเป็นโสดาบันด้วยกันแต่ไม่อาจทราบภูมิที่เหนือกว่ากันพระสกทาคามีคงทราบพระสกทาคามีด้วยกันและต่ำลงมาแต่ไม่ทราบภูมิที่เหนือกว่านั้นพระอนาคามีก็เช่นเดียวกันพระอรหันคงทราบทั้งหมดพระองค์ทรงอธิบายต่อไปอีกว่าบางครั้งชาวบ้านยกย่องพระองค์นี้หรือองค์นั้น ด้วยความสนิทสนมว่าพระอาจารย์ของเราเป็นพระอาหารหันต์ทั้งๆ ท, ที่มิได้เป็นภูมินั้นจริงนั่นก็บาปอยู่แล้วและบางคนอาจจะกล่าวถึงพระภิกษุอื่นด้วยอักติว่าท่านมิได้เป็นพระอาหารหันต์จริงดอกทั้งๆ ท, ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์จริงนั่นก็ยิ่งบาปเข้าไปใหญ่แม้เราจะไม่ทราบภูมิของท่านพระอาจารย์ แต่เมื่อเราเทียบเคียงคาสอนและปฏิปทาของท่านว่าตรงกับคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็เคารพ ก, กราบไหว้ท่านอาจารย์ในฐานะที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีและอุชุปฏิปันโนคือปฏิบัติชอบตรงนี้แหละฟังแล้วรู้สึกว่าพระองค์ท่านเป็นปราฏเวลาสิทธิ์มีความสงสัยครอบงำ ก็สามารถอธิบายธรรมะให้แจ่มแจ้งจนคลายความสงสัยนั่นออกไปได้แต่ใช่ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จจะทรงอธิบายความเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีพระอารมณ์ขันตรงกันข้ามหลายครั้งหลายคราวอัตมาภาพต้องกลายเป็นตัวโจกคนที่เข้าเฝ้ามีหลากหลายชนิด ทุกกลุ่มทุกศาสนาองค์กรมีอยู่วันหนึ่งเจ้าพระกุลสมเด็จมีรับสั่งให้ต้องรับแขกคนหนึ่งชื่อว่าสีชินมอยเป็นครูสอนศาสนาประยุกชาวอินเดียมีลูกศิษย์ลูกหาชาวตะวันตกเป็นจำนวนมากในวันนั้นสิทธ์ก็แต่งตัวแบบแขกจริงๆแล้วอัตมาภาพก็ทราบจากข่าวหนังสือพิมพ์ก่อนนั้นแล้วว่าสีชินมอยมาแวะกรุงเทพ สีชินมอยสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยเสียงเพลงอาตมาภาพไปที่คณะเหลืองรังสีและรับแขกในห้องชั้นล่างกุติหลวงกัมปนาศแสนยากรซึ่งอยู่ข้างหน้าตำหนักคอยท่าอาตมาภาพเห็นคณะสีชินมอยกำลังจัดเก้าอี้และประกอบโครงเหล็กทำอะไรต่อมีอะไรอยู่หน้าตำหนักโดยไม่ทราบว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า ชีวิตของอาตมาภาพจะต้องแขวนอยู่บนเส้นได้และอาจจะดับลงอย่างไม่มีพิธีสีชินมอยกราบทูลความเห็นต่างๆแล้วเจ้าพระกุณสมเด็จก็ส่งตอบเสร็จแล้วสีชินมอยกราบทูลขออนุ ญ, ญาตยกองค์เจ้าพระกุณสมเด็จอาตมาคิดเอะยังไงแต่ไม่ต้องห่วงเจ้าพระกุณสมเด็จทรงมีทางออกเสมอ พระองค์ทรงชี้มาทางอัตมาและรับสั่งว่ายกองค์นี้ก็แล้วกันแล้วทุกคนก็ลุกออกไปยืนที่หน้าตําหนักคอยท่าอ้าวและอัตมาภาพจะทํำยังไงเนี่ยจริงๆแล้วอัตมาภาพคิดจะเดินหนีแต่คิดดูอีกทีก็น่าเกลียดเพราะเส้นทางหนีก็ต้องผ่านหน้าที่ประทับของเจ้าพระคุณสมเด็จจริงๆโครงเหล็กนั้นไม่ได้สูงอะไรมากนัก สูงแค่ประมาณกุติชั้นที่สองเท่านั้นเองแต่นอกจากอัตมาภาพจะต้องปีนไป่ายไปยืนบนแท่นที่เล็กพอดีตัวทำกลางสายตาคนจำนวนมากแล้วอัตมาภาพยังต้องชั่งน้ำหนักก่อนให้เขาติดเบอร์ประกาศเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่านักพรตกำลังยกน้ำหนักกี่ปอนเมื่ออัตมาภาพขึ้นไปแล้วสีชินมอยก็มายืนอยู่ข้างใต้ฐานนั้น รวบรวมสมาธิเพื่อที่จะใช้เป็นกำลังในการยกพอยกขึ้นแล้วแทนที่อัตมาภาพยืนอยู่ก็เอ็นไปเอ็นมาทำให้อัตมาภาพเสียวบวาบทั้งตัวที่น่าตกใจที่สุดก็คือขณะที่สีชินมอยยกตัวอัตมาภาพขึ้นไปนั้นพวกศิษย์ของเขาก็ร้องเพลงคอรัสออกมาคงเป็นเพลงเรียกสมาธิกระมัง ตอนแรกอาตมาก็สะดุง้งแต่อาตมาอดขำไม่ได้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเล่าว่าสมัยที่ขเขมรได้เอกราช จ, จากฝรั่งเศษใหม่ๆขเขมรได้อันเชิญพระาธาตุมาจากพิ พ, ธพิธภัณฑสถานแห่งเมืองกันกันกนตตาประเทศอินเดียมาฉลองที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา รัฐบาลเขมรได้อาราธนาพระภิกษุจากกรุงเทพไปร่วมพิธีด้วยสี่รูปและจัดพิธีขึ้นในวันอาทิตย์ที่หตุลาคมพุทธศักราช2495เจ้าพระคุณสมเด็จขณะ ด, ดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสภพลนขนาะพรก็ได้ไปร่วมพิธีนี้เจ้าหน้าที่เขมรกราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จทอดพระเนตรพระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิด พระธาตมีรูปทรงองค์แหลมๆยาวๆเมื่อพระองค์เสด็จกลับถึงพระตำหนักก็พบพระธาตปรากฏอยู่ที่หน้าพระราวกับปาฏิหารส่งเล่าต่อไปว่าเดี๋ยวนี้พระธาตองค์นี้ก็ได้บรรจุไว้ในพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวันหนึ่งขณะอัตมาภาพเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องพวกติดยาเข้าวัดขโมยเต่าเป็นประจำ เจ้าพระกุลสมเด็จส่งเล่าว่าสมัยที่ยังเสด็จตรวจวัดพระองค์เดียวคืนหนึ่งดำเนินถึงบริเวณพระอุโบสถประมาณตีสองเจอพอดีชายสองคนกำลังรื้อหงลงมาจากเสาหงหน้าพระอุโบสถที่แท้จริงได้รื้อตัวหนึ่งลงแล้วพอพวกขโมยเห็นเจ้าพระกุลสมเด็จมาก็เปิดหนีมีอยู่คืนหนึ่ง เกิดเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งด้านหลังวัดบวรในตรอกบวรรังสีเหตุเกิดประมาณตีหนึ่งอัตมาภาพกำลังจำวัดอยู่และค่อยตื่นขึ้นด้วยได้ยินเสียงคนพูดที่ดังขึ้นทุกขณะมีเสียงทุบสังกสีแว่วมาจากด้านหลังตำหนักคอยท่าจึงลงจากกุฏิและเดินข้ามสะพานระหว่างตำหนักคอยท่าและกุฏิอันแสงไปสืบดูปรากฏว่าบ้านหลังหนึ่ง ที่ติด ก, กับตึกสวธรรมนิเวศเกิดเพลิงไหม้ลูกใหญ่โตโมโหลานอย่างรวดเร็วและกําลังลามมาทางตำหนักคอยท่าขณะนั้นอาตมาภาพได้ยินลูกศิษย์เคาะประตูชั้นบนตำหนักคอยท่าอย่างแรงคงพยายามปลุกเจ้าพระกุลสมเด็จเพื่อให้หนีไฟพอเข้าไปในห้องบรรทมลูกศิษย์กราบทูลเรื่องเพลิงไหม้ด้วยเสียงสั่นและน้าตาคลอเบ้า เจ้าพระกุณสมเด็จก็รับสั่งอย่างใจเย็นว่าเพลิงไหม้หรือทรงห่มจีวรแล้วเสด็จลงจากตำหนักท่านเจ้าคุณพรมุณีวิชัยปุญญาราโมมานั่งรอที่ห้องเลขานุ ก, การแล้วด้วยอาการหน้าบึง้งเพราะกุติ ข, ของท่านอยู่ใกล้ไฟมากที่สุดตอนนั้นพระสัตว์ทีิหาริกบางรูปต้องการจะนำเสด็จไปประทับที่ศาลา150ราปี ซึ่งอยู่ตรงกลางวัดทางทิศเหนือเพื่อให้เจ้าพระกุลสมเด็จปลอดภัยและห่างที่เกิดเหตุมากที่สุดแต่เจ้าพระกุลสมเด็จไม่โกรดเช่นนั้นโปรดที่จะเสด็จไปตรวจ ด, ดูคณะแดงรังสีและคณะเขียวรังสีซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เพลิงไหมและประทับดูอยู่จนไฟสงบวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ไทยบางฉบับลงข่าวว่าสมเด็จพระสังฆราช ทรงดับไฟด้วยเพ่งกะสินความจริงเป็นอย่างไรอัตมาไม่ทราบได้แต่ก็แปลกตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้เพียงเล็กน้อยทั้งๆ ท, ที่เหตุเกิดติดรั้ววัดวันหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จประธานหมอนใบหนึ่งให้ลูกศิษย์นำมาที่กุติ วันรุ่งขึ้นสิกก็เดินกลับมาอีกและขอหมอนใบนั้นคืนแลกกับหมอนใบใหม่อัตมภาพก็อดขำไม่ได้ตอนเช้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งเล่าว่าอืมหมอนใบนี้ดีมันแน่นมากหนุนหลังก็รู้สึกสบายดี เจ้าพระคุณสมเด็จโปรดที่จะทรงดำเนินตรวจวัดเป็นการออกกำลังกายแต่บางครั้งต้องมีคนชักชวนถึงจะเสด็จครั้งหนึ่งตอนทูลลาก็กราบทูลถามว่าฝ่าบาทไม่เสด็จตรวจวัดหรือขณะกำลังจะทูลลากลับเจ้าพระคุณสมเด็จมีรับสั่งว่ารอเดี๋ยวก่อนแล้วกดกระดิ่งเรียกเด็กแล้วก็เสด็จรอบวัด เข้าคณะนี้ออกคณะโน้นตอนผ่านพระอุโบสถทูลถามประวัติพระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานในพระปรางว่าองค์นี้องค์นั้นมาจากไหนสเสด็จไปเรื่อยๆและเล่าเรื่องมาตลอดพอสเสด็จกลับถึงตำหนักสมเด็จมีรับสั่งว่าอืมรู้สึกคอยอย่างชั่ววันหนึ่งขณะที่เจ้าพระคุณสมเด็จ กำลังลงพระนามในปริญญาบัตรของมหมามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งจะมีพิธีประสาทปริญญาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในวันต่อไปมีรับสั่งว่าไม่ชอบเซ็นชื่อยุกยิกอ่านไม่ออกต้องเซ็นชื่อให้คนอื่นอ่านออกขณะนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงถามกันต์ชอบเซ็นชื่อยุกยิกหรือเปล่าแล้วทรงพระสวน สรุปว่าสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระคุณมากมายหลายอย่างมีทั้งป ร, ริยัติทั้งปฏิบัติและมีอารมณ์ขันรวมอยู่ในพระองค์ท่านมีพระเมตตาสําหรับผู้ที่ดันด้นมาไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนผู้เขียนในฐานะสิทธิผู้สํานึกในพระเมตตาคุณขอให้พระองค์ทรงเจริญในธรรมเป็นนิจเถิน บทความจากวารสารพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกฉบับพิเศษโดยพระอาจารย์กันตะสีโลเคโรบิลบี